ที่จริงแล้วคําว่าถือทำเป็นประมาณเนี่ยนะหมายถึงว่าถือเอาศีลเป็นประมาณเนี่ยนะถือศีลถือสมาธิถือปัญญาเนี่ยนะเอาไตรศิกข้าเป็นเกณฑ์อ่างนั้นเถอะคือเอาอริยสัจอย่างที่คุณวิลาวันว่าไว้เป็นเกณฑ์ก็ได้เนี่ยนะถือการกําหนดรู้ทุกถือการละสมุทัยถือการทํานิโรธให้แจ้งถือการปฏิบัติตามอริยมรรคเป็นประมาณอันนี้พวกนี้จะถือเรียกว่าถือทำเป็นประมาณเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็หนึ่งในแสนเนี พัน้าหากว่าจะแนะนำให้บุคคลเลื่อมสายในพระสงฆ์ก็ให้เลื่อมสายในเนี่ยผู้ที่แทงตลอดอริยสัสนี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าอย่างยุคนี้จะถวายสังฆทานก็ระลึกถึงว่ า, านะน้อมใจไปในหมู่ชนที่ปฏิบัติรู้นั่นปฏิบัติแทงตลอดอริยสัสนั่นเองเน่นถ่ายทั้งนู้นอย่าถ่ายทั้งนี้ถ่ายไปทั้งนู้น ต่ขอเอาคนเดี้ยงของมาจะมาถ่ายทั้งไห น, น, น, นไหนเหมาอ๋ออ๋อะอนะ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออนอ่๋ทอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋อออส๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาที่มีสี่ประการเนี่ยนะคือเลื่อมสายมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระธรรมเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่มั่นคงไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเนี่ยนะวินยูชนใครครนดูแลว้วติเตียนไม่ได้ตามหาและทิฐิไม่จับต้องเป็นไปเพื่อสมาธิ ผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงไม่หวั่นไหวทั้งสี่ประการเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เข้าถึงโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยนะผู้ที่ได้โสตาปฏิยังฆ่าธรรมอย่างนี้ก็เกิดในคันมารดาเจ็ครั้งเนี่ยนะอบายปิดหมดเลยเนี่ยนะนรกมมีกี่ขุมก็ก็ไม่ไม่ตกแล้วเนี่ยนะนรกมีกี่ขุมเดราชานมีกี่พวกกี่ฟูงนี่ก็ไม่เกิดแบบนั้นแล้วนะการแทงตลอดอริยสัตว์นั้นมีคุณมากเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัส ถึงให้ถ้าเรามีญาติที่ที่บอกแล้วเขาพอเชื่อได้นะหวังนั้นเถอะมีอยู่คำหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าไปบอกคนที่เขาพอเชื่อนะไม่ได้ไปเที่ยวบอกกับทุกคนไม่ได้หมายว่าบอกคือคนที่เขาพอจะฟังเราอะนะก็แนะนำให้เขามีธรรมสี่ประการนี้เนี่ยนะมันก็บอกให้ดีเต้ คือบอกให้มีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งตั้งมั่นในศีลนี่นะที่เขาบอกว่าผู no ้ที่มีคุณธรรมอย่างว่านะเขาไม่ใช่คนขัดสนเลยนี่นะไม่ไม่ใช่คนขัดสนเพราะเขาจัดถึงพร้อมด้วยทซั์คือศรัทธาทรัพย์คือฮิริโอตตะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจารค้ารัพย์คือปัญญาเนี่ยนะก็สุขคติของเขาเนี่ปลอดภัยแล้วล่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตตาของเขานี้ ปลอดภัยแล้วกองทุกทั้งมวลที่เขาควรจะได้รับเนี่ยนะเว้นภพเจ็ดเสียทุกเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาละหมดแล้วเนี่ยนะในอินทรียกถาอินทรียกถากคำพีปฏิสัมพิธธรรมพูดถึงว่าสัตทินรียนี้พึงเห็นที่โสตาปฏิยังคะเนี่ยนะโสตาปฏิยังฆะธรรมวิริยรีย์พึงเห็นที่สัมมาประธานศีเนี่ยนะ สตินซีพ่งเห็นที่สติปทานซีแล้วก็สมาธินซีพึงเห็นที่ฌานซีปัญญซี น, 4, นี่เห็นที่อริยสัจซีนะย้อนอีกครั้งหนึ่งน ะ, อ, ะอินซีห้าเนี่ยนะ ศรัทธาหรือศรัทธินรียเพึงเห็นในโซดาปฏิยัญฆ่าธรรมโสดาปฏิยัญฆ่าธรรมสีข้อสอนะวิริยินรีเพึงเห็นที่สัมมประธานสสัมมประธานนี้ก็มาจากสัมมาบวกประธานนะ ประธานนี้แปลว่าความเพียรสัมมาตัวนั้นก็คือซ้อนปอปาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสัมมัปหมายถึงความเพียรโดยถูกต้องเนี่ยนะสัมมาตัวนั้นเนี่ยแปลว่าถูกต้องเพียรชอบนั่นเองเนี่ยนะปนโสดาวิริยินรีเพึงเห็นที่สัมมัปประธานสี่ส่วนสตินซีสติเนี่ยนะพึงเห็นที่สติปัฐานสี่ ข้อที่สี่นะสมาธิเพิ่งเห็นที่ฌานสี่ส่วนข้อห้านะปัญญรี์หรือปัญญาเนี่ยเพิ่งเห็นที่อริยสัจว์่เนี่ยนะั้นผู้ที่มีอินรี่ห้านี่นะก็ดูที่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะว่าเออินรี์ไหนเรามีมากมีน้อยก็เอาตาม อ, องค์ธรรมะเหล่า น, านั้นมาจับมาเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นพุทธสมัยพุทธากาลนะผู้ที่มากด้วยสัตทินรียนี่ใคร ภ, ว, นะภวกะลีพวัคคลนี่เป็นผู้มากด้วยสัตทินรียผู้ที่มากด้วยสัมมประธานเนี่ยนะคือพระโสณนะเนี่ยนะพระโสณะโกริวิสาเนี่ยนะเรียกว่าเดินจงกรมจนเลือดอาบนอนแหะ เขบอกว่าใช้เท้าเดินจงกลมนะเดินเดินเดินเสร็จแล้วก็เท้ามันแตกหมดก็ก็ใช้เข่าเดินอีกเห็นไหมเพียนมากขนาดนั้นมากด้วยวิริยินซีผู้ที่มากด้วยสเตนซีนี่ใครเอาเอตทักข้าก็พลาดนอนมั้งเนะาะพลาดนอ น, นนี่มีสติกับเพื่อนเห็นไหมถ้าผู้ที่มากด้วยสมาธินีก็เช่นพระมหาโกธิตะ เนี่ยนะเนี่ยนะพระโมคคารนะก็กลุ่มสมาธิเหมือนกันแต่ท่านบนรรลุเพราะสมาธินีบนรรลุเพราะสมาธินีท่านได้วิโมกแปดส่วนผู้ที่มากด้วยปัญญินีก็พระสารีบุตรเนี่ยน ะ, นนะแต่ว่าไม่ใช่อินีอื่นๆไม่มีอหนะ ครั้งก่อนที่เคยเมื่อเช้าคุณจ้มได้พูดถึงว่าคำว่าภาวนาหมายถึงอินทรีห้าไม่ล่วงเลยกันแกันเนี่ยน ะ, ะในขณะสมมติในอินทรีห้าในขณะโซดาปฏิมักเนี่ยนะอินทรีห้าในขณะโซดาปฏิมักเนี่ยจะไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันแต่ในระหว่างการบำเพ็ญกุศลเนี่ยอินทรีเหล่านี้ล่วงเลยกันได้ ในในแรกๆ่ะนะแรกๆปฏิบัตินั้นในจิตของแต่ละบุคคลที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะมากไม่เท่ากันเช่นบางคนเนี่ยสัพทินซีมีกำลังในขณะหนึ่งในหนึ่งขณ ะ, ะบางคนนี่วิริยะมีกำลังในหนึ่งขณะบางคนนั้นสติมีกำลังใน หนึ่งขณะบางพวกสมาธิมีกําลังในหนึ่งขณะบางพวกปัญญามีกําลังในหนึ่งขณะจะมีไม่เท่ากันทีนี้ถามว่าเวลาที่ศรัทธาเขามีกําลังเนี่ยธรรมชาติของศรัทธาต้องมีวัตถุเป็นอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ของศรัทธาคืออะไรก็เช่นพ ร, พ, พระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์ของศรัทธา เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเจริญสัตทินรีย์ก็หมั่นระลึกถึงพระคุธคุณหรือพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาเนี่ยนะถ้าจะเจริญอินทรีย์เฉพาะองค์ถ้าจะมุ่งสัตทินรียอย่างเดียวนะไปเช่นคิดถึงสำปราสาธนียสูตรพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยรอบเนี่ยนะ หรือพระธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาสูตรไหนอ่านแล้วเลื่อมใสามากศรัท ธ, ธามากก็สูตรแบบนั้นบ่อยๆคิดธรรมะหมวดนั้นมากๆอันนี้สัจธทธินรียจะมีกําลังถ้าพวกที่วิริยินทรีย์มีกําลังนะก็พิจารณาสัมมาประธานมากๆพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งสัมมาประธานนะเช่นฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ทําความเพียรมากปฏิบัติมากพูดถึงพระสูตรที่เรียกว่าร่างกายเนี่ย จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนือเ้อเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถามใหม่บรรลุจะไม่ลุกเป็นต้นเนี่ยนะฟังธรรมะหมวดนี้มากๆวิริยะจะเกิดแรงวิริยะจะเกิดบ่อยส่วนถ้าพวกที่มีสตินสีก็คือสติปฐานสีเนี่ยนะนิมิตของสติคือสติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นพวกที่สมาธินสีมากก็คือจิตเป็นไปกับสมถะเนี่ยนะ คิดถึงสมถะก็ว่าไปตามจริตนะโทสะจริตก็เป็นไปกับเมตตาให้มากราคะจริตก็อสุภาให้มากวิตกจริตก็อานาปานสติให้มากอย่างเงี้ย น, นะก็เอาตามจริตพวกนี้ก็สมาธิสี ก, ก็ก็จะมีกําลังถ้าพวกปัญญสีก็พิจนนารณาญาณจริยาอันลึกซึ้งเช่น อ, อริยสัจอย่า น, นีปฏิจจสมุปบาทขัน อายตนะธาตุหรือว่าปัญญากถานะปัญญากถาหรือญาณกถาแกเราว่าหาธรรมะกลุ่มเนี่ยมาไข่ครวนให้มากๆเพราะฉะนั้นในระหว่างทั่วทั่วไปเนี่ยในระหว่างการเจริญเนี่ยอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันมันล่วงเลยกันเนี่ยนะอินทรีย์นี่ยังล่วงเกินกันใช่ไหมบางอย่างอ่อนบางอย่างยิ่งเขาจะต้องมีการปรับอินทรีย์เสมอ เนี่ยนะก็ต้องปรับให้มันเข้ากันถ้าพวกมีศรัทธามากแสดงว่าปัญญานี่อ่อนไปก็ศรัทธากับปัญญาให้สมดุลกันให้ให้เท่าๆกันถ้าพวกที่วิริยะมากวิริยะกัดสมาธิก็ให้สมดุลกันเนี่ยนะแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอันนี้พูดสมัยพุทธกาลนะสมัยนี้ไม่ค่อยเกินหรอกถ้าขาดเนี่ยปกติ อนะไอโรคก็บอกว่าโอ้โหสารอาหารหลายๆตัวเกินนี่มีแต่ขาดสารอาหารอันนู้นขาดไปเยอะนะแต่ถ้าเกินไปเนี่ยมันจะพาย่างอื่นสุดไปเนี่ยนะทำมากเกินไปอ่ะนะนะั้นก็วิธีปรับง่ายนิดเดียวถ้าศรัทธาเกิดมากนะก็มาคิดเรื่องปัญญาให้มากๆศรัทธามันลดเองแค่นี้ถ้าปัญญามันมากเกินไปก็มาคิดเรื่องศรัทธาแค่นั้นเองก็ออกนี่วิธีลดอ่ะนะ ถ้าวิริยะมากไปก็มาเจริญสมาธิให้มากถ้าสมาธิมากไปก็ปารับวิริยะให้มากแต่สติเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวปรับเนี่ยนะเขาจะรู้เองอะนะสติสติที่เกิดจากการฟังมามากเป็นต้นอนะเขาจะรู้ว่าอะไรมากอะไรยิ่งอะไรหย่อนอะไรอ่อนอะไรแก่เนี่ยนะสติจะรู้เองเพราะสตินี้อาศัยว่าคบกับสัตว์บุรุษมาเป็นอย่างดีอะนะ่องเสพรู้อะไรเป็นอะไรมาอย่างดีอยู่แล้ว ทีนี้ถ้าในขณะโสดาปฏิมักเนี่ยต้องไม่ล่วงเกินไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันต้องสมควรกันและกันพอดีเนี่ยนะถ้าถ้าจะเจริญให้ได้โสดาปฏิมักนะทำมุ่งมักผลต้องไม่ล่วงเลยกันและกันแล้วทุกอย่างต้องทํากิจเหมือนกันทํากิจเหมือนกันคือกิจที่เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเห็นไหมมีกิจในการแทงตลอดพระนิพพานเหมือนกันแล้วก็ต้องส่องเสร็ กุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะอันนั้นในขณะโสดาปติมมะเกิดจะเป็นอย่างนี้แล้วอริยมรรคอื่นๆก็เหมือนกันอย่างที่พระผู้มีพระภาคถามพระสารีบุตรว่าเธอเชื่อไหมว่าอินทรีห้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ถ้าบุคคลเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วนะยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเชื่อไหมก็ถามว่าในโลกนี้เนี่ยเอาศรัทธากับปัญญานะอะไรจะดีกว่ากัน อะไรจะปัญีติกว่ากันก็ปัญญาปณญีติกว่าใช่ไหม <c oughs> คือรู้ด้วยปัญญากับรู้ด้วยสถานไหนปัญีติกว่ากัน <c oughs> ปัญญาปั ญ, ญีติกว่าพระสารีบุตรบอกท่านบอกไม่เชื่อที่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าท่านคัดค้านคําสอน <c oughs> เพราะท่านมีปัญญาเห็นแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยนะถ้าถามว่ะนะอย่างของมาอยู่ก็ทั้งหลายคนอยู่เชื่อไหมว่านี่คุณจะอุมึงเนี่ยนะมันก็เห็นด้วยกันไม่รู้ต้องเชื่ออะไร ก, ก็เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามีปัญญาเห็นอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าไม่ต้องเชื่ออะไร เนี่ยนะไม่ไม่ต้องว่าศรัทธาอย่างที่จิตตะขึ้นหาบดีเนี่ยนะพูดถึงว่าท่านผู้เจริญศรัทธากับปัญญาไหนจะมากกว่ากาัน อ, อันไหนจะประณีตกว่ากาันเขาบอกว่ า, วาปัญญานี่ประณีตกว่าเพราะฉะนั้นอย่างจิตตะขึหาบดีเนี่ยนะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าตั้งหลายเรื่องที่ไม่เชื่อไม่ใช่อะไรหรอกเพราะท่านเห็นเหมือนกันเชื่อไหมว่าได้ฌานสี่แล้วเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม ท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อเพราะท่านก็ได้ชาญสี่อยู่แ ล, แล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องเชื่อเพราะท่านมีปัญญาเข้าถึงสิ่งนั้นอยู่แล้วหวังกันเถอะนะในระดับสูงไม่ได้ขายสัตว์ทินรี่อย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอินรีย์นี้ต้องทั้งห้าเนี่ยนะแต่ในการบรรลุมรรคผลนี้ท่านถือเอาปัญญินรี่เป็นเป็นหลักแต่ทีนี้ปัญญินทรี่นะถ้าเปรียบเทียบนะถ้าขวานนะองค์ประกอบของขวานเนี่ยวัดไง ด้ามขวานเนี่ยนะบอกว่าปัญญีนีมีค่าแต่คมขวานเท่านั้นเองเนี่ยนะสัตหินีเหมือนกับด้ามขวานสมาธีเหมือนกับไว้ที่รับอ่ะที่รับคมอ่ะนะองค์ประกอบเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กันอ่ะนะหลังใครจะบอกว่าปัญญาอย่างเดียวจับแต่ปัญญาอย่างเดียวก็บาดมือแล้วจับแต่ด้ามอย่างเดียวก็ตัดอะไรไม่ขาดเนี่ยนะ เอาแต่สรรอย่างเดียก ก, ก็ทํางานไม่สําเร็จเนี่ยนะถ้ามีแต่ว่าไม่รับนะขวานก็ทื่อแลองค์ประกอบก็ทั้งคู่ควรแก่กันและกันเนี่ยนะฉะนั้นอินทรีห้าต้องคู่ควรแก่กันจึงจะประหารสมุทัยได้เนี่ยนะฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้ท่านบอกว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากหรือตรงนี้พูดถึงว่าธรรมะที่เป็นส่วนแห่งความเจริญขึ้นดีขึ้นวิเศษขึ้นเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าเรามีศรัทธาว่าเอออินทรีห้าเนี่ยดีจริงๆถามว่าวิธีเจริญอินทรีห้าเนี่ยเจริญยังไงเนี่ย น, นะพระสูตรทั่วไปก็แนะนําวิธีเจริญอินทรียห้าภาษาริบท์นะแนะนำวิธีเจริญอิ น, ะ น, นรีห้าว่าถ้าปรารถนาจะเจริญสัตว์ทินซีนะมีข้อห้ามหนึ่งหลีกเลี่ยงเว้นอย่าเข้าใกล้คนไม่มีศรัทธาแล้วก็ ข้อ 2. เสพนั่งใกล้คบคนมีศรัทธาข้อ3พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเหตุเพื่อให้สัตทินรีย์เกิดด้วยอาการ3วิริยินทรีย์ก็เกิดด้วยอาการ3คือเว้นคนเกียรติค้านเนี่ยนะหลีกเลี่ยงห่างไกลได้ดีแล้วก็คบนั่งใกล้คบหาสมาคมกับผู้ที่บําเพ็ญเพียรแล้วก็ข้อ3พิจารณาสำ ม, มัประทานให้มากอันนี้เป็นเหตุเจริญวิริยินทรีย์ ถ้าเป็นเหตุเจริญสติินรีก็ข้อแรกเว้นเว้นพวกหลงลืมสติเหมือนกับกาก็าบอกว่าคนหลงลืมสติเหมือนกาเก็บของระหว่างนั้นมันไปขโมยมาได้มันก็ซุกทิ้งไว้แล้วมันก็ลืมไปเนี่ยนะถ้ขโมยแล้วก็มาซุกไว้ก็ลืมไปก็ของนั้นก็บูดบูดเสียเสียหายหายไปนะกาเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงคนหลงลืมแบบนั้นมากมาก น, นะแล้วก็ข้อสองก็คบแับคนมีสติเนี่ยนะ แล้วก็ข้อ3มพิจารณาสติประธานให้มากๆเลยนะจำสติประธานให้แม่นแเลยนะสายายสติประธานสูตรให้คล่องเลยนะให้ชํานานมากๆอันนี้ก็เป็นนิมิตของสติเป็นอย่างดีถ้าเจริญสติแล้วจาไม่ได้ว่าสติเขารู้อะไรบ้างและเลือกอะไรบ้างไม่ได้แล้วก็โหจะไปเจริญข้อไหนล่ะส่วนสมาธิเนี่ยก็เวน้นข้อห้ามก็คือเว้นครบเวน้นการครบคนฟุง้งซ่านเนียนะใครที่คิดมาก คิดเรืยเปื่อยโดยที่ไม่มีเหตุมีผลอะไรสักอย่างเนี่ยนะนั่งฟุง้งท่บางท่านก็บอกว่าก็บอกคนนี้ไม่ต้องมาหาเขาอีกแล้วก็บอกว่าเพราะอะไรก็บอกมาเมื่อไหร่แล้วมันพาโรคฟุ้งซ่านมาด้วยทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาอีกแล้วนะต่อไปว่านั้นเถอะเขามีพระอีกที่หนึ่งนะเขาห้ามโยมคนหนึ่งก็บอกว่าคุณเนี่ยเลิกมาหาอาตมาได้แล้วพอและไม่ต้องมาอีกแล้วเพราะคุณมาแล้วมันจะทําให้พระฟุ้งซ่านหมดครับว่างั้น นนะเขคบเป็นปีแล้วแก้ไขพัฒนาไม่ได้เลยนะคือพระนี่ให้เชื่อโยมไปไม่ได้แต่โยมนี่มาเพาะเชื่อให้พระบ่อยๆว่าคุณอย่ามาเลยพอละอห้ามนั่นนะนะมาคบไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธิในซีของคนนี้ก็จะแย่เหมือนกัน ม, นมันติดเชือ่อเชื่อมแรงอุทจจามันแรงมากก็นั่งคุยอยู่พักเดียวคุยได้ไปเจ็ดแปดเรื่องแล้วเงี้นนยไนหะใครจะไปคิดตามทรรันสินีน้ถ้า สมาธิ น, เนีเขาคบคนมีสมาธิเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สมก็คือพิจารณาพระสูตรหรือพิจารณาฌานวิโมกให้มากๆเนี่ยนะพิจารณาฌานวิโมกมากๆก็เป็นอหเหหรือเป็นอาหารของสมาธินีส่วนตันยินีก็ข้อห้ามก็คือเหมือนกันหลีกเลี่ยงเว้นคนที่มีความค น, คนโง่เขลา ข้อต่อไปก็คือครบคนมีปัญญาแล้วก็พิจารณาเนี่ยขันให้มากปฏิจจอริยศาสตร์พวกนี้หรือว่ายานกถาให้เยอะๆอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการเจริญปัญญี น, นี่นะทีนี้อินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะที่บ่มวิมุตต์เนี่ยนะธรรมะบ่มวิมุตต์บ่มอะไรก็คือบ่มบ่มโสดาปฏิมักเนี่ยนะเป็นธรรมะที่บ่มโสดาปฏิมัก เ, เจริญให้มันคู่ควรกันเจริญอินทรีห้าจนเรียกว่า ธรรมะเนี่ยนะคืออินทรีห้าไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันอินทรีห้าทำกิจอย่างเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็สามารถส่องเสพอินทรีห้าให้ให้เกิดขึ้นอันนี้อริยมรรคยึงจะเกิดขึ้นนีในสายมรรคัตว์นะทีนี้ศรัทธาเนี่ยก็ทำลายกิเลสคือความไม่มีศรัทธาเนี่ยนะย้อนอีกครั้งนึงนะศรัทธานี้ทำลายกิเลสคือความไม่มีศรัทธา วิริยะทำลายกิเลสคือความเกียจคร้านสติทำลายกิเลสคือความประมาทเนี่ยนะสมาธิทำลายกิเลสคือความฟุ้งซ่านปัญญาทำลายกิเลสคือวิชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจริญอินทรีย์ห้าก็ละกิเลสหรือละสมุทัยตามสมควรแก่ปุโสธรรมเหล่านี้เพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมะที่ให้ถึงความวิเศษว่างั้นเถอะ ถึงศรัทธาถึงเจริญยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็สุขติก็หวังได้อยู่แล้วนะศรัทธาเป็นต้นนี้ก็เป็นเหตุแห่งสุขติอยู่แล้วคือขอให้มันมีแบบพระวักะลี่ก่อนครับปัญหามันไม่มีสิมองมาทุกวันยังไม่เคยเห็นใครมีเกินสักคนเลยมีแต่ขาด เจริญวั น, นก็โหมีเขานั่งชมพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนอูหอ่านพุทธประวัติทราบซึ่งไม่อ่านเรื่องอื่นอ่านแต่พุทธประวัติอย่างเดียวเนี่ยนะจำได้หมดเลยอย่างเงี้ยนะทำมหาปริศสนาประกอบไปด้วยอะไรบ้างจําหมดเลยอสนุพยัญชนะมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงจําได้หมดเลยนะคิดอยู่แต่เรื่องเดียวนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยถ้าอย่างเงี้ยเรียก ว, ว่าผู้มีศรัทธา ม, มากเนี่ยนะ ไปตีความหมายของคำว่าศรัทธาเนี่ยบางครั้งก็ตีความหมายเป็นิดแทนที่ศรัทธาอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือว่าคำหนึ่งถึงติถึงพระพุทธคุณอะไรก็อะไรนี่นะมากจรถ้าอย่างนั้นเป็นศรัทธาแต่ที่นี้ที่ททั่วๆไปมันไม่ใช่อย่างนะเป็นมันมากจริงๆใครพูดอะไรก็เชื่อหมดหมดถ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าศรัทธานะถ้าไปเชื่อคนมิจฉาทิฏฐิคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่แรงของศรัทธาแต่แรงของมิจฉาทิฐิี่เสกเลยตายไปว่าเออฉันไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาแรงก็อาจจะไม่ใช่ศรัทธาก็ได้เป็นทิฏฐิไปฉันติงสีความหมายของคำว่าศรัทธาจนตอนคือศรัทธาในที่นี้รู้กันว่าเป็นธรรมะที่ผ่องใสเนี่ยนะในที่นี้นะเป็นชื่อของความผ่องใสแห่งจิตนะสัตทินสีเนี่ยนะเป็นความผ่องใส แล้วก็ศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลให้ทานสมาทานศีลทําอุโบสถเป็นต้นก็ถือว่ามีศรัท ธ, ธานําหน้าเนี่ยนะศรัท ธ, ธานี้ทาลายความที่จิตเนี่ยมันมันขุ่นคล้องด้วยอํานาจนิวรณ์เนี่ยนะถ้าศรัท ธ, ธาเขาเกิดขึ้นเขาก็จะทําลายนิวรณ์ออกไปะนะทั้งในคัมภีร์ท่านก็เปรียบเทียบอุปมาว่าเป็นเหมือนกับเครื่องกรองน้ำเนี่ยนะที่นี้ก็ดีมากะนะที่พระ พระนาคเสนท่านอุปมาว่าศรัทธานี้เหมือนกับเครื่องกรองนะ้ำาอนะทำให้จิตเนี่ยผ่องใสทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเราก็ถามดูว่าในขณะที่เราคิดเนี่ยนะผ่องใสไหมถ้าคิดถึงแล้วนะมันคล้ายๆกับวิตกกังวลว่าเอ๊ท่านท่านจะเอากับเราไหมท่านอย่างนั้นไหมอย่างงี้ไหมถ้าอย่างนี้แล้วบอกว่าเราศรัทธานี้ไม่ใช่เงนะ ถ้าว่าศรัทธาเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของความผ่องใสแห่งจิตนี่นะซึ่งทั่วทั่วไปก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยนะแต่คนที่เรียกว่าในยุคนี้ที่ว่ามีศรัทธานี้บางทีก็อาจจะไม่ใช่ศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยนะที่ถูกต้องก็คืออธิโมกข์ศรัทธาที่โมกข์เนี่ยนะพวกนี้จะไม่ไม่ค่อยวิตกกังวลจะไม่ค่อยเดือดร้อนมั่นใจอย่างเต็มที่เนี่ยนะมั่นใจแบบ เรื่อมใส่ผ่องใส่ใจเนี่ยสบายใจมากนึกแล้วก็สบายใจนึกแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะลักษณะนั้นเป็นศรัทธาแต่ถ้าผู้ที่นึกเชื่อไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ผ่องใสไม่ได้สงบไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้บอกว่ามีศรัทธาอะไรเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเพียงว่าความชอบใจชั่วครั้งชั่วคราวไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้ธรรมะบางส่วนที่มันคล้ายๆกับศรัทธานั้นก็คือทิฏฐิเนี่ยนะ ที่มันคล้ายๆกับทิฏฐิที่ดิ่งไปในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะทิฏฐินี้บางส่วนมันจะเหมือนกับศรัทธาดูเหมือนมีศรัทธาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะที่มันดิ่งไปในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะคนที่มีที่ได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ชื่อว่ามีศรัทธาเพราะว่าเพราะว่าสัมมาทิฏฐิมีที่ดูเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเสียงของอะไรอย่างนี้คือ ถ้าขณะที่สัมมาทิฏฐิเกิดมีศรัทธาต้องถ้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องคุยเป็นขณะละเนี่ยนะถ้าคือสมมุติว่าคนเนี้ยเรียกว่าคนมีสัมมาทิฏฐิถามว่าเขาคิดถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิวันละกี่ครั้งอ น, นะก็ต้องบอกว่าเขามีศรัทธาอยู่เท่านั้นเนี่ยนะเราจะไปบอกว่าเขามีศรัทธาตลอดไม่ได้เพราะว่าในขณะที่อกุศลหรือนิวรรเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นเขาไม่มีศรัทธาต้องต้องอกล่าวเป็นขณะขณะไปเนี่ยนะ อย่างบอกว่าโอ้คนนี้เขาเป็นผู้ให้ทานจริงๆแต่ว่าวันหนึ่งให้ทานครั้งเดียวเราจะไปบอกอนักให้ทานจริงๆล้วก็ว่าไม่ถูกนักกันนะเขาก็เอาก็ให้ทานหนึ่งครั้งก็แล้วกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นก็เลยเนื่องจากคนนี้ให้บ่อยกว่าคนอื่นก็เลยเรียกว่าคนนี้เป็นกนะเป็นผู้ให้ทานมากเหมือนกันแ่ไปเทียบกับคนที่ไม่ค่อยให้เนี่ยนะ เป็นบางเรื่องนะครับไอที่ไม่เชื่อนี่ต้องจําให้หมดนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปใช้เปะย์ ป, ปะนะพระพุทปปธเจ้าถามว่าเธอเชื่อไหมว่านะภาษาที่บุตรเชื่อไหมว่าอินทรีย์ห้าเมื่อบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอ่ะยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยเธอเชื่อไหมพวกไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะท่านก็บรลุท่านก็เห็นเพราะว่าปัญญาเนี่ยละเอียด เรียกว่ า, วาประนีตหรือดีกว่าศรัท ธ, ธาเพราะกท่านก็เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าท่างก็ไม่ได้เถียงว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดไม่เถียงไม่ได้มีความเห็นเป็นอื่นแต่ท่านเอาปัญญีนีเป็นหลักไม่ใช่เอาสัตทินรียเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นท่านศรัท ธ, ธาเช่นว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติดีจริงๆอันนี้เอาศรัท ธ, ธาเป็นนําหน้าเนี่ยนะ หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันสององค์เป็นต้นพระพุทธเจ้าในอดีตละนิวรห้าตั้งมั่นในสติปัฏฐานสีบ่บรรลุ เ, เ, เ, เจริญโพชฌงเจตเนี่ยนะจึงบรรลุพระนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณถ้าอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเชื่อเชื่อเอาไม่ใช่ว่าท่านเห็นอย่างนั้นท่านเชื่อตามานะเพราะฉะนั้นคําว่าภาษาริบุตรไม่เชื่อเนี่ยเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องที่ว่า เชื่อไหมว่ามรแปดนะถ้าเจริญแล้วบรรลุอรหรันต์ก็ท่านไม่เชื่อเพราะท่านก็เป็นพระอารหันต์อยู่แล้วในส่วนเรื่องนี้ว่างั้นเถอะอันนี้นี่ความหมายที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะ <S <S นอย่างกรณีจิตตาครืคหาบดีเนี่ยถามว่าเชื่อไหมว่าผู้ที่ได้ฌานสี่นะจะมีความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่านก็ไม่ต้องเชื่อเพราะท่านได้ฌานสี่ <S <S จะก็เป็นสุขอยู่แล้วถ้าอย่างเนี่ยอย่างคุยกันเนี่ยคุณโจอมเชื่อไหมถ้าใครกินอิ่มนอนหลับในชีวิตเขามีความสุขนะ ไม่ต้องเชื่อผมกินอิ่มนอนหลับ ม, มันก็มีความสุขมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องอาศัยศรัทธาเข้าไปนำแนละ้วเฉพาะเรื่องนี้อย่างนั้นเถอะแน่นอนต้องต้องมีศรัทธาเน่ยคือในคําว่าปัญญาในที่นี้บ่งบ่งถึงว่าผู้นั้นทําในสิ่งนั้นได้จริงจึงเรียกว่าจึงเรียกว่าปัญญาในที่นี้นะคือถ้าพูดในเรื่องอะไรแล้วคนนั้นเขาทําได้จริงๆเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อแล้วเนี่ยนะ เอานั้นบ่งถึงศรัทธาที่มั่นคงในในในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จริงๆท่านก็ก็มีศรัทธาไม่ใช่ว่าท่านไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยนะท่านก็ก็ศรัทธาแต่ว่ า, าที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยบ่งเป็นหัวข้อนะหัวข้อย่อยมากๆเลยนะคือเน้นว่ า, าผู้ที่มีอินทรีย์ห้าแล้วอย่างลงสู่นิพพานเนี่ยนะเฉพาะประเด็นเนี่ยหรือถ้าถามว่าเธอเชื่อไหมว่า อริยมรรคเกิดขึ้นนะต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้นะอันนี้ต้องอาศัยเชื่อไหมถ้าผู้ที่บรรลุก็ไม่ต้องไม่ต้องส่วนนี้นะเฉพาะส่วนนี้ไม่ต้องเชื่อแต่แนวทางเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนั้นเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจะว่าไปก็ว่าเป็นอารมณ์ไปเป็นเฉพาะเรื่องๆไปแต่ถ้าเป็นในในส่วนการเห็นอริยสัจนะพระโสดาบันไม่ต้องเชื่อใครเพราะท่านก็เห็นอริยสัจ แต่ถ้าเป็นส่วนอ ah, oh. ื่นๆท่านก็อาศัยอาศัยศรัทธาเนี่ยนะแต่ทีนี้คําว่าศรัทธานี้ไม่ใช่ว่าทําใจให้เชื่อแต่ท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยนะยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นคือถ้าหาว่ามีประสบการณ์เหมือนเกันแล้วก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเหมือนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาฝนตกมากๆในพิษรถมันติดนะเชื่อไหม ถ้าคนเคยไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเชื่อแต่ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ทั่วไปนะเราก็อธิบายเหตุผลให้ฟังใช่ไหมคือปริมาณรถมันมากนะ้ำมันเยอะวิ่งไม่สะดวกมันติดด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ถ้าชี้แจงแล้วเออก็ด้วยเหตุผลก็เชื่อยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไปไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> มานาะ <c oughs> ไปเครียดมาอย่างเงี้ยก็อ๋อนี้ยอมรับลนะเนียไม่เถียง